ลงที่แรกอาจจะรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมเพราะว่ากำลังวังชาก็น้อยลงไม่กระฉับกระเฉนเหมือนก่อนแต่พอเวลาผ่านไปผ่านไปก็จะเริ่มรู้สึกว่าเรากลายเป็นคนละคนไปซะแล้วแต่ก่อนนี้ยังวิ่งได้เดินขึ้นบันไดได้หลายชั้นแต่เดีนน๋ยวนี้แค่เดินก็ลำบากความสามารถทางกายที่เคยทำได้อย่างเช่นบางคนเป็นนักวิ่ง พอวิ่งไม่ค่อยได้แล้วมันก็เริ่มเจอว่า้เราไม่ใช่คนเดิมแล้วเป็นคนละคนไปซะแล้วโดวยพ่อคนที่เป็นนักกีฬามีความสามารถทางกายหลายอย่างหรือว่ามีความสามารถทางกายที่อาภูมิภูมิมมใจเช่นนักฟุตบอลสามารถที่จะเลี้ยงบอลหลบหลีกหรือว่านัก เ, เกตบอลที่สามารถที่จะ วิ่งแล้วก็พาลูกบาสเกตบอลนะไปหยอดลงห่วงได้แต่ตอนหลังนะแค่กระโดดนิดกระโดดหน่อยก็ไม่ไหวแล้วยิ่งพอแก่ตัวลงนะเป็นข้อสูไวัยชารามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมนะ แต่ว่านิสัยใจคอความรู้สึกอารมณ์ก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นเคยสดชื่นร่าเริงตอนหลังก็เริ่มเฉื่อยชางหงอยเหงาเสื่องซึมความจำก็เริ่มพราเรือนแต่ก่อนคิดอะไรได้ฉับไวตอนหลังจะว่าแต่คิดอะไรเลยแค่นึกบางที่ก็นึกไม่เคอยออก แม้จะเป็นเรื่องที่คุ้นเคยหรือว่าเป็นเรื่องที่ถนัดยิ่งผู้คนที่เคยควบหาทำไมล้มหายตายจากไปก็ค่อยๆหายหน้าหายตาไปอย่างเคยเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เป็นประหลัดกระทรวงพอ 70-80 นอกจาก ไม่ได้ทำงานก็ยังไม่ค่อยมีคนมาเข้าหาแค่ไม่ได้ทำงานที่ตัวเองถนัดที่ตัวเองคุ้นเคยเนีย่ก็แย่อยู่แล้วเพราะว่ามันทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่ได้ใช้ความสามารถให้ปรากฏแถมผู้คนก็หายหน้าหายตาไปมันก็เกิดความหงอยเหงา พอเกิดความเงายง่ำขึ้นก็เกิดอาการเสื่อมซึมอันนี้ไม่นับนะ ล, ลูกหลานค่อยๆหายกันไปนั้นนิสยัยหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกเดิมๆสมัยเป็นหนุ่มสมัยที่ยังกระฉับกระเฉงมันก็เปลี่ยนไปอาจจะกลายเป็นคนที่มีความห่อเหี่ยวไม่มีความมั่นใจในตัวเอง เรียกร้องความสนใจจากผู้คนหรือว่าเรียกร้องความเอาใจใส่จากคนรอบข้างจากคนที่มีความเข้มแข็งมั่นคงกลายเป็นคนที่อ่อนแอลงไปเลยเหมือนกับที่หลวงพ่อเขียนพูดว่าเนี่ยเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าส่วนผู้ใหญ่ในวันนี้ก็คือเด็กในวันหน้า ผู้ใหญ่ในวันนี้คือเด็กในวันหน้าผู้ใหญ่ในวันนี้ก็เด็กวันหน้าเนี่เป็นคนละคนกันเลยนะไอคนแก่คนชาราก็เป็นอย่างนั้นแหละไอ้ความแก่ความชารามันทําให้คนเราเปลี่ยนไปกลายเป็นคนละคนไปเลยแล้วมันไม่ใช่เฉพาะความแก่ชารานะที่ทําให้ คนเรานี่กลายเป็นคนละคนความเจ็บป่วยนี่ก็เหมือนกันนะคนบางคนนี่ตอนที่สุขภาพดีก็นนจริงๆไม่ใช่บางคนนะส่วนใหญ่เลยสุขภาพดีก็มีความร่าเริงมีความเบิกบานมีความเชื่อมั่นในตัวเองพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญอุปสรรคพร้อมที่จะเจอปัญหาไม่ย่อท้อ แต่พอป่วยด้วยโรคร้ายนี่มีกลายเป็นคนลกคนไปเลยนะมีอาจารย์แพทย์คนหนึ่งนะรก็เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีความองอาจเวลาสอนเสร็จก็สอนด้วยความมั่นใจเวลารักษาคนไข้ก็มีความมั่นใจในความรู้ที่ตัวเองมี แต่แล้ววันหนึ่งพอพวกเราตื่นเป็นโรคร้ายเป็นโรคมะเร็งมะเร็งใชที่มันรักษายากปรกากฏล้มทั้งยือเลยนะไม่เหลือเขาหรือไม่เหลือสภาพของอาจารย์แพทย์คนเดิมไอ้ที่เคยความรู้ที่เคยมีความมั่นใจที่เคยสอนลูกศิษย์หรือว่าดูแลคนป่วยนี่ มันหายไปหมดเลยแล้วก็กลายเป็นคนที่ห่อเหี่ยวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราที่จริงก็เห็นได้อยู่ บ, บ่อยๆบางทีก็เกิดขึ้นกับญาติผู้ใหญ่ของเราด้วยซ้ำยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นโรคประเภทที่เกี่ยวความจำเช่นอัลไซเมอร์เนี่ยก็มัน เนียเปลี่ยนไปเลยนะคนที่เราเคยเห็นเคยรู้จักตอนนี้ไม่มีเขาเดิมอีกแล้วซพ่งก็ทำให้คนที่เป็นลูกบางทีก็ทำใจไม่ได้นะพ่อแม่ที่เคยมีความเชื่อมั่นมีความฉลาดเฉลียวมีความปรัดเปรียวมีความ มั่น อ, อกมั่นใจแต่ตอนนี้กลายเป็นอีกคนไปซะแล้วกลายเป็นเด็กหรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่คาดไม่ถึงเลยเช่นบางคนกราดเกลียวอารมณ์ร้ายหรือบางคนก็พูดจาสบทหยาบคาย ท, ทั้งทั้งที่ ก่อนหน้านัา้นเนี่ยคนสุภาพเรียบร้อยผู้จานุ่มนวลมันกลายเป็นคนลรคนไปเลยนะโครคภัยไข้เจ็บนี่อย่าว่าแต่โรคที่เกี่ยวกับความจำหรือสมองโรคที่เกี่ยว อ, อยวัยวะส่วนอื่นนี่ก็มันก็ทำให้คนนี่เปลี่ยนนิสัยได้ เรามักจะพูดว่าเนี่ยเล้านี่มันทําให้คนเปลี่ยนทิศสายได้จริงจมันมีอะไรอีกมากมายที่ทําให้คนเราเปลี่ยนทิศสายกลายเป็นคนละคนก็ไม่ใช่เฉพาะความแก่ชาราความเจ็บป่วยความสูญเสียเหตุการณ์แรงๆที่เกิดขึ้นก็ทําให้คนเรานี่กลายเป็นอีกคนหนึ่งไปได้ อย่างผู้หิงบางคนเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยสุภาพใครๆก็เรียกว่าเป็นนางฟ้าแต่พอสามีขอเลิกแยกทางนี่กลายเป็นคนละคนไปเลยกาดเกี้ยวอารมณ์ร้ายบางทีคิดแมก้กระทั่งจะฆ่า จะฆ่าคนคนที่ว่าเนี้คือสามีเจ้าตัวบางทีก็ตกใจนะทำไมฉันร้ายขนาดนี้เชียวหรือนี่ยังดีนะที่ยังพอรู้ตัวแต่บางคนไม่รู้ตัวเลยจากนางเอกนี่กลายเป็นปีศาจไปเลยหลวนก็เป็นคนละคนเลยเพราะความโกรธความผิดหวังมันทำให้ นิสัยใจคอเปลี่ยนไปมีเพื่อนหนึ่งเลาใฟังว่าเนี่ยรักพ่อมากเลยนะเพราะว่าพ่อนี่เป็นคนรักครอบครัวรักแม่แล้วก็รักลูกนะตัวเธอก็เป็นเป็นผู้หญิงเชื่อชูบูชาพ่อมากเพราะพ่อดีอย่างงิงนดีอย่างนี้แต่วันหนึ่งพ่อ เกิดไปมีคนใหม่เรียกว่ามีเมียน้อยก็ได้เปลี่ยนไปเลยนะไม่สนใจครอบครัวไม่อินังขังขอบลูกๆเฉยเมย อ, อันนี้ก็อาจจะส่วนใหญ่เป็นปลจหาการที่ลูกๆผิดหวังในตัวพ่อแล้วก็เลยมีท่าทีเมอนตึงกับพ่อพ่อก็เลยแสดงการหรือปฏิกิริยาตอบโต้ ก็ทำให้กลายเป็นคนละคนไปเลยในสายตาของลูกสาวกลายเป็นเกลียดพ่อไปเลยนะพอเห็นพ่อนี่มันไม่เดินไม่เหมือนเดิมแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะราคะหรือว่าความกำหนัดก็ได้มันก็ทำให้คนกลายเป็นคนละคนไปได้เหมือนกันยังไม่ต้องพูดถึงคนที่เรียบร้อยนี่แต่พอเกิดหน้ามืดขึ้นมานี่ก็ กลายเป็นคนที่ะละเมิดหรือกระทำชำเลากับคนที่รู้จักบางคนเป็นครูบาอาจารยนะ์ก็ทำกับลูกศิษย์ทันทีที่มีความกําหนัดเกิดขึ้นเปลี่ยนไปเลยนะจากคนที่เรียบร้อยสุภาพกลายเป็นเมืกับปีศาจไปเพราะว่าความ กำหนัดหรือว่าตันหาเปนครอบงำต่นั้นมันก็เป็นคนละส่วนนะเรื่องความสูญเสียนะสูญเสียเนี่ยเมื่อกี้บอกทุกพูดถึงการสูญเสียสามีสูญเสียคนรักพราเขาเพราะเกิดการ อ, อกหักบางทีไม่ให้สูญเสียคนรักแต่ว่าอาจจะสูญเสียทรัพย์สมบัติาก็กลายเป็นคนละคนไปได้เหมือนกัน บางทีอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวก็ได้นะอย่างที่เราเคยได้ข่าวเนี่ยคนที่รักรถแต่พอรถนี่มันเกิดถูกขีดถูกครัวขึ้นมานี่ร่างายเป็นคนละคนเลยกลายเป็นคนหยาบคายกับคนที่ทําให้รถของตัวเองเนี่ยที่สารลักแสนห่วงนี่มันเกิดริ้วรอยขึ้นมา กว่าจะกลับมาเป็นคนเดิมไดก้ก็เรียกว่าระบายอารมณ์ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเกิดความเสียหายตามมามากมายในความสูญเสียแล้วนะในการยิ่งสูญเสียคนรักเช่นพ่อที่สูญเสียลูกหรือว่าสามีสูญเสียภรรยาก็กลายเป็นเสียสูญไปเลยก็มีเรียกว่า ไม่เป็นพูดเป็นคนเลยบางทีก็ไม่ไต้องหนักขนาดนั้นไม่หนั ก, กว่านั้นนะพ่อที่เพราะว่าลูกเนี่ยเคยเป็นความหวังนะลูกสาเรียนหมอเรียนได้ดีแต่พอเรียนถึงปีสลูกก็บอกพ่อว่า ขอเลิกเรียนแล้วหมอเพราะไ ม, ไม่ชอบรักษาคนไม่ชอบเลือดไม่ชอบหนองขอลาไปเรียน finance นะพราะอยากจะเป็นนักวิเคราะห์การเงินแล้วไม่ได้พูดเฉยนะเราออกจริงๆนะแพทย์เนี่ยตั้งที่ปี4ี่แค่อีก2ปีเท่านั้นแหละบอกว่าพ่อนี่เสียศูนย์ไปเลยเพราะว่าทุ่มเทกับลูกมา นอนไม่หลับกระสับกระส่ายแล้วก็ไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยจนคนรอบข้างก็ประหลาดใจว่ามันขนาดนี้เชียวแล้วเราพอตกอย่สภาพเช่นนี้นะคิดอะไรไม่ออกเลยนะธรรมะที่เรียนรู้มาคติธรรม จากประสบการณ์ของใครต่อใครที่เคยชื่นชมอามาใชาก้กระตัวอไม่ได้เลยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มัน <c oughs> าการําลองนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนมีสิทธิ์เกิดขึ <c> ้น <oughs> มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้กับทุกคนนั่นแหละอย่างบางคนเนี่ยเป็นทหารเห็นใครต่อใครฆ่าตัวตายก็ประกาศว่าเนี่ย ลกผู้ชายเขาไม่ทำกันหรอกนะ่าตัวตายแต่ผ่านไป2 0 3สปีพอตัวเองไปโรคมะเร็งอาการลุกลามมากขึ้นปรากฏทำซะเองเลยกลายเป็นคนลกคนไปซะนละ้ไอ้ของแบบ น, นี้มันเกิดขึ้นได้เป็นไปได้นะซึ่งเราเนี่ยถ้าว่ายังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย แล้วก็พึงสังวรระวังเอาไว้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่าไปคิดว่าเนี่ยตอนนี้ฉันเก่งฉันแน่ฉันมีธรรมะเอาตัวรอดนะเจออะไรเนี่ยฉันมีวิชาที่จะรับมือกับมันได้แต่พอถึงเวลาจริงๆเขาบอกว่าไอ้วิชาที่เรียนมานี่มันเอาไม่อยู่เลยนะ เพราะมันเป็นแค่ความคิดนึกเป็นแค่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแต่ว่ามันไม่ได้ลงลึกไปถึงถึงจิตถึงใจเั้นพอเจอเหตุการณ์เขา้าอะไรมากระทบเนี่ยถูกอารมณ์ครอบงำมันก็เสียสูญไปเลยอารมณ์เหล่านี้เนี่ยนะความโศกความเศร้าความโกรธความห่อเหี่ยว รวมทั้งทุกเวทนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนคนเราให้กลายเป็นอีกคนหนึ่งได้ง่ายๆ่านั้นในขณะที่เรายังสุขสบา ย, ยที่เรามีความเบิกบานแจ่มใสนที่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่าก็อยา่าอย่าประมาทนะในใน เหตุร้ายที่เราเรียกว่าอนิจจารมให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็พยายามฝึกนะฝึกจิตฝึกใจไว้เสมอแล้วเวลาเห็นคนอื่นเขาเสียสูญหรือว่าเพรียงพรำนี่ก็จะไปดูถูกเขาว่าไม่แน่หรือว่าไม่มีธรรมะไม่รู้จักใช้ธรรมะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงถ้าเราเป็นอย่างเขาก็ก็แย่เหมือนกันบางทีเราไปบอกเพื่อนหรือคนรู้จักว่าสู้ๆนะก็ป่วยหนักบ่อยเขาสู้ๆบางทีเขาอาจจะนึกในใจว่าก็มึงก็พูดได้นะเราะมไม่เคยเป็นแบบกู ấy. แล้วก็หลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะพอถึงเวลาตัวเองเป็นเขาก็ เจอข้าเองก็หมดสภาพเหมือนกันไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังสองวันเอาไว้ก็ต้องถือว่าเนี่ยขณะที่เราจะไม่เจอเรื่องเหล่านี้ถือว่าเราโชคดีแล้วก็อย่าให้มันโชคดีปล่าเป่าเราก็ต้องฝึกนะฝึกจิตฝึกใจไว้แล้วก็ฝึกนี่ไม่ได้ฝึกเอาแบบเดินจงกรมสร้างจังหวะ ตามลมหายใจอย่างเดียวบางทีก็ต้องฝึกจากของจริงด้วยนะจากแรงกระทบกระแทกจากโรคภัยไข้เจ็บจากความเจ็บป่วยที่อาจจะไม่ถึงกับรุนแรงจากความสูญเสียความผิดดังอุปสรรคต่างๆนะถือว่าเข้ามาสอนเพื่อฝึกให้เรามีวิชาในการที่จะรับมือกับเหตุร้ายที่รุนแรงในวันข้างหน้า ไม่ใช่พอเจอแล้วก็โอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวนะหมดสภาพไปตั้งแต่มันยังไม่รุนแรงอะไรเล ย, เยจริงถ้าศึกษาไปเนี่ยมันไค้ครควนเนี่ยไม่ใช่แค่เจริญสติอย่างเดียวแต่ว่าไครควรวนก็จะพบว่าไอสาเหตุแห่งความทุกข์ที่ทำให้ผู้คนเนี่ยเสียสูญเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดจากความยึดติดถือมันม่นนั่นแหละ เวลาเรามีเวลาค น, คนแก่คนชาราแล้วเขาสึกว่าเขาเปลี่ยนไปหรือว่าเขากลายเป็นคนละคนเนี่ยที่จริงมันไม่ถึงขนาดนั้นนะมันเพียงแต่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมันเพียงแต่ร่างกายมันไม่เหมือนเดิมแต่พอไปยึดว่าร่างกายนี้เป็นเราเนี่ยพอร่างกายเปลี่ยนไปร่างกายไม่เหมือนเดิมก็ เกิดความสําคัญไม่หมายว่าฉันเปลี่ยนไปฉันไม่เหมือนเดิมฉันกลายเป็นคนละคนจริงๆมันไม่ใช่ฉันเป็นคนละคนหรอกนะมันแค่ร่างกายที่เปลี่ยนไปแต่พอระยึดว่าร่างกายนี้คือฉันคือกูพอร่างกายเปลี่ยนไปร่างกายไม่เหมือนเดิมก็เกิดความรู้ว่ากูไม่เหมือนเดิมกูกลายเป็นคนละคนแห้มันผิดตั้งแต่แรกแล้ว จนเดียวกันนะว่าไปยึดเอาทรัพสมบัติว่าเป็นเรานะพอสมบัตินั้นหายไปสูมเสื่อ ม, มไปมันก็รูสึว่าบางส่วนในตัวเราหายไปด้วยหลายคนเวลาคนรักตายจากไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าบางส่วนในตัวเขาหรือตัวตัวส่วนของเขาหายไปหายไปนิรันด์เลยอันนั้นเป็นพ่อไปยึดว่าเป็นเรานะเป็นของเรา อะไรก็ตามที่เราไปยื้เป็นราเป็นของเราเไม่จะเป็นคนหรือสิ่งของเนี่ยพอคนนั้นสิ่งนั้นหายไปเนี่ยมันก็ธรรมดาที่จะรู้สึกว่าตัวตนหรือส่วนหนึ่งของตัวตนเรามันหายไปด้วยซึ่มันทำให้เกิดความทุกข์มากแต่จริงมันไม่มีตัวตนส่วนหนึ่งเราที่หายไปนะมันมีแต่ความสัมคันบ้านหมายว่ามันหายไปถ้าไม่ไปคิดว่า คนนั้นสิ่งนั้นเป็นเราเมื่อคนนั้นสิ่งนั้นหายไปมันก็ไม่รู้สึกว่าไอ้ตัวตวนของเรามันหายไปผู้ยหญ่ก็คือว่าเนี่ยความทุกข์เหตุแห่งแห่งทุกข์เหตุแห่งความทุกข์กใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะความสูญเสียไม่ใช่เพราะความเจ็บป่วยไม่ใช่เพราะความแก่ชาราแต่เป็นเพราะความยึดมั่นถือมันว่าเป็นเราเป็นของเราไปยึดมั่นว่าร่างกายนี้เป็นเรา พอร by, ่างกายเปลี่ยนไปก็ก็รู้สึกว่ากูเปลี่ยนไปพอร่างกายนั้นกลายเป็นคนละร่างก็รู้สึกว่ากูกลายเป็นคนละคนจริงไม่ต้องร้อยเปลี่ยนแปลงกันนะร่างกายมันไม่เหมือนเดิมตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปทุกขนาดไม่ใช่ว่าต้องรอให้แก่ถึงจะรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมมาตลอดเวลาอยู่แล้วมันเปลี่ยนตลอดเวลา ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ด้วยซ้ํามันพูดง่ายคือมันเป็นร่างใหม่ตลอดเวลาร่างใหม่มันเกิดทุกขณะเลยนะเพราะมันมีการสร้างเซลล์ใหม่เซลล์เก่าส่วนนี่ก็ตายไปเซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ทุกขณะทุกวินาทีเลยวันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เแค่ว่าร่างร่างเราไม่เหมือนเดิม เมื่อแก่ชร า, าที่จริงมันไม่เหมือนเดิมมาตั้งแต่มีร่างนี้แล้วแหละแต่ว่าไม่รู้สึกนะเพราะว่ามันเป็นความเจริญมันเป็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่เจริญนะจากทารกเป็นเด็กจากเด็กเป็นหนุ่มจากหนุ่มเป็นวัยชักนี่อันนี้เราสมมติว่าเป็นความเจริญเราก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งที่ร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมแต่พอเป็นความเสื่อมเข้านะ ก็เกิดความรู้สึกชัดเจนขึ้นมาตอนล่างไม่เหมือนเดิมนะแล้วก็เออเห็นว่ามันมันก็มันก็เป็นธรรมดาก็ไม่ทุกข์อะไรแต่พอไปยึดว่าร่างนั้นเป็นเราร่างแก่กูก็แก่ร่างป่วยกูก็ป่วยแ้่ตอนหลังไม่ใช่แค่ร่างอย่างเดียวนะที่ป่วยบางทีใจก็ป่วยไปยิดว่าจิต น, นี่เป็นเรานะพอมันห่อเหี่ยว ก็เกิดความสำคัญมั่นมากูห่อเหียวหรือว่าพอมีความโศกเศร้าเกิดขึ้นก็ไปสำคัญมั่นหมายไปยึดว่าความโศกเศร้าเป็นเราก็กูโศกเศร้ามันก็เลยทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นงั้นถ้าว่าไม่มีความไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทุกข์นะแต่ตามวิสัยพุทุชนก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ไ ม, ไม่ไม่มากก็ น, น้อย เพราะฉะนั้นพอเกิดความสูญเสียพอความเจ็บป่วยพอเกิดความแก่ชรามก็เกิดความทุกข์ใจตามมาแต่น้อยถ้าเกิดว่ามีการสังวรระวังตั้งอยู่ในความไม่ปลาหมาตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วก็ฝึกจิตฝึกใจไว้ถ้าถึงเวลามันเสื่อมมันแปลเปลี่ยนไปมันก็ไม่ทุกข์มากและยังมีสตนะิก็มีเหมือนกับสิ่งที่จะช่วยทําให้ ให้อารมณ์พวกนี้เนี่ยมามาเปลี่ยนให้เรากลายเป็นคนละคนนี่ได้ยากขึ้นมันไม่อย่างที่บอกนะมันไม่ใช่เล่าที่มันเปลี่ยนนิสัยคนอารมณ์พวกนี้ก็เปลี่ยนนิสัยคนได้ความโศกเศร้าวความโกรธความห่อเหี่ยวท้อแท้ผิดหวังพวกนี้มันเปลี่ยนนิสัยคนให้กลายเป็นคนละคนได้แต่ถ้าเรามีสติรักษาใจเอาไว้ไม่ให้อารมณ์นี้ครอ่องํา อย่าง น, น้อยๆเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับเสียศูญก็ยังพอที่จะตั้งหลักได้แล้วก็ทำให้สามารถระ ล, ลึกนึกถึงวิชาความรู้หรือธรรมะคำสอนครูบาอาจารย์เพื่อนนำมาแก้ไขหรือใช้สติช่วยรักษาใจนะให้ไม่ถึงกับเสียสูญหรือว่าหรือที่ช่วยทำยังเป็นผู้เป็นคนได้ในงั้นเนี่ยมันก็ ตอ่อผิวภายใต้อิทธิพลของอารมณ์และที่ตไไัวใต้ที่ผลองออารมณ์ก็หมายความว่าถูกกําหนดนะจากสิ่ง ห, หรือเหตุการณ์ต่างรอบตัวรวมทั้งการกระทําและคําพูดของผู้คนที่มากระทบทําให้เกิดอารมณ์เอาสองวรระวังเอาไวนะ้แล้วก็ใช้ช่วงเวลาที่เรายังปกติสุขเนี่ยเพื่อการฝึกฝนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า